นทางพ้นทุกวันที่11เมษายน2558กาบนักมัสการพระคุณเจ้าคุณไม่ชีกัญยาณมิตรทุกคนนั่งสบายๆเนาะก็ทุกคืนวันเสาร์วันนี้ก็มีคำถามก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรก่อนที่จะเข้าถึงําคำถามนะ พ่อครูก็ขอประกาศข่าวนะแจ้งข่าวให้ทุกคนทราบวันสงกางนะวันที่สิบสามเมษาเป็นทุกปีวัฒนธรรมประเพณีที่สวยๆงามๆเราก็จันโลงรักษาไว้นะให้ลูกหลานเราสืบเนื่องต่อไปก็สิบสามเมษาตอนเช้าหกโมงครึ่ง นะพระบินทบาทกับไม่ชีนั้นอยู่ที่ฐานพระใหญ่ให้เราไปถึงพร้อมที่นั่นก่อนหกโมงยี่สิบเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของไทยเราก็ตั้งแต่เช้าก่อนที่จะทำเรื่องอื่นเราก็มาทำบุญตักบาตกันคนจีนเขาพูดคำว่าห่าวเตอไทยสื่อซื่อเฉิงกงเตออีปัน้นก็คือถ้ามีจุดเริ่มต้นที่ดีนะคือความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะ ก็เป็นเช้าวันวันปีใหม่แล้วก็สิบโมงสามสิบเราก็ร่วมกันถวายพระทหารเพณพระภิกษุเมชีอยู่ที่ลงทานเนาะบ่ายโมงสิบสามจุดศนย์ศนร่วมทำพิธีถวายพระป่าเพื่อการศึกษาแล้วก็บ่ายสงโมงสิบสี่จุดศูนศนนอ ก, ก็ มีพิธีส่งน้ำพระเป็นเป็นประเพณีประจาทุกปีนะแล้วก็วันที่สิบสี่เมษานะคือวันถัดไปตอนช่วงบ่ายสองโมงปกติแล้วก็ปฏิบัติอยายตนะวิปัสสนากรรมฐานนะเราก็จะมีการจัดเขาเรียกว่า Party. แฟนซีเดรสปาร์ตี้ก็คือจัดปาร์ตี้โดยเครื่องนุ่งห่มนั้นเป็นแฟนซี บางคนสงสัยว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมมาจากปาร์ตี้แฟนซีนะแล้วชื่อเรียกว่าภาษาอังกฤษบอก n น k e เ m i ไม f a แฟนตาซีแดนส์นะแฟนตาซ a แดน์นี่หมายถึงว่าจังหวะดนตรีนั่นมั่วดนตรีอะไรก็ได้นะก็คือเปลือยจิตโอเพ m ไม d ไม่ใช่เปลือยกายเราเปลือยจิตนะก็เจตนาคืออะไร ให้เราข้ามพ้นสมมติมัญญิต่างๆนะที่พระครูให้ฝึกตายก่อนตายทุกเช้านั้นก็เน้นว่าชีวิตคือละครตั้งแต่วันแรกเกิดมาเรามาแสดงบทบาทเป็นเบบี้เด็กทารกนะเกิดมาวันแรกมันก็ร้องไห้เขาแสดงสมบทบาทเขาก็ร้องไห้เห็นไหย เกิดก็ร้องไห้เวลาแก่มาลุกก็โอยนั่งก็โอยแล้วก็แสดงเป็นคนแก่และเราก็แสดงเป็นคนเจ็บและฉากที่ทุกคนต้องหนีมันไม่พ้นบางคนไม่มีโอกาสเป็นคนแก่นะบางคนยังไม่มีโอกาสเกิดเลยอยู่ในท้องแม่เขาก็แทงละบางคนเนี่ยเกิดมาวันเดียวก็ตายแล้นะไม่มีโอกาสแก่ไม่มีโอกาสเจ็บตายเลยนะ ก็ชีวิตคือละครเราแสดงบทบาทไหนไหนก็เกิดแล้วก็แสดงให้มันสมบทบาทให้รู้เท่าทันบทบาทนั้นนะแล้วก็วันที่สิบสี่นี้เราก็แสดงบทบาทอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เราปัจจุบันนะแต่งแบบไหนก็ได้ที่ให้คนอื่นเขาจําเราไม่ได้และเราก็จําตัวเองไม่ได้ให้เราลืมว่าเราเป็นใครทุกวันนี้เราไปหลวงว่า เราเป็นผู้รู้ผู้ยิ่งใหญ่เราเป็นคนเก่งเรามีอัตตานะอันนี้สายวชิรยานของทิเบตทุกวันสำคัญที่เขาจัดงานประเพณีประจำปีนั้นน่ะพระคุณเจ้าเขาก็แต่งเป็นเทพต่างๆเป็นมารต่างๆนะคือคือชีวิตเราจะเป็นอะไรก็ได้อ่า ถ้าวันนี้พ่อครูชื่อบัญชาบัญชานี่ก็สมมุติเขาเรียกพ่อครูเขาสมมุติเรียกว่าพ่อครูคือพ่อครูนะก็สมมุติแต่ถ้าเราไปหลงสมมุติเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีอีโก้มีอัตตาตัวตนไอ้นี่แหละที่ทําให้เราทุกข์นะก็วันที่สิบสี่ทุกคนเตรียมพวงพร้อมถ้าไม่มีชุดแต่งกายชุดอะไรอะไรเนี่ยปรึกษากับแก้วกับพี่เลี้ยงริมีหน้ากา ก, ากให้นะ นะหรือจะทาหน้าแบบไหนก็ได้ให้คนอื่นเขาจำเราไม่ได้และเราต้องลืมตัวเองด้วยเราจะสัมผัสความอิสระคืออะไรนะแล้วก็เต้นจังหวะเพลงมั่วไม่มีรูปแบบนะชีวิตเราถูกรูปแบบบล็อกไว้ตลอดเวลานะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ใส่หัวโขอนอยู่เครียดไปหมดมะเร็งมันเกิดจากสาเหตุดีนะต้นเหตุก็คือเราเครียดนะ พอเราเครียดปุ๊บคุม้มคุมกันมันอ่อนแอนะแล้วก็มาสร้างมวลภาวะกันแล้วก็ไปเสพมันเข้าไปทางอากาศทางอาหารแล้วคุ้มคุ้มกันมันไม่ทํางานร้อยเอร์ซมันก็ขับไม่ออกร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเรามีเรามีอิมมูนซิสเต็มโดยธรรมชาติคือภุมิคุ้มกันโดยธรรมชาติเห็นไหมเราเคี้ยวเราย่อยอาหารในปากแล้วก็ย่อยตามลำไส้กระเพาะกระเพาะมันก็ย่อยสลายเอาของดีมาใช้เรามีงาน ขับน้ำเสียขับกากอาหารเรามีเครื่องฟอกอากาศเรามีออโตเมติกแต่ตอนนี้ไอออโตเมติกตรงนี้เนี่ยมันทำงานไม่เต็มร้อยเหมือนรถยนต์ถ้าไม่ทำความสะอาดไส้กรองน้ำมันไส้กรองอากาศบ่อยๆใช่ไมมันฉูดฉีดน้ำมันมันก็สำลักเดี๋ยวแหวนลูกสูบพังหมดทุกวันนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บหลายหลายชนิดเนี่ยต้นเหตุเบื้องต้นคือเราเครียด นะเพราะเราใช้ชีวิตเรายัางไม่บัญญกระบรรยังนะก็นั่นะแหละเรารู้ว่าชีวิตคือเราก่อนเราจะสมมุติว่าเราเป็นอะไรก็ได้นะเราสมมุติเอาถ้าอยากเป็นเศรษฐีเอาส ม, มุติมาเล่มหนึ่งนะเขียนว่าธนาคารอะไรก็ได้มีเงินฝากหนึ่งแสนล้านพรุ่งนี้ก็ไปฝากอีกห้าแสนล้านเราเป็นนั่งดีใจว่าฉันมีเงินฝากก็คือของเรานั่นแหละ บางคนเกิดมาพ่อแม่ฝากไว้หนึ่งร้อยล้านนะแล้วก็ทุกเดือนฝากให้หนึ่งร้อยล้านสิบปีไม่เคยเบิกเลยเขาก็ส่งธนาคารบอกว่าอุ้ยดอกเบี้ยขึ้นแค่นั้นเขาก็มีว่าเขามีเงินพอตายไปแล้วเขาก็เอาไปไม่ได้มันก็สมมุติเหมือนกันหมดนะสมมุติทั้งนั้นแหละนะวันที่สิบสามเรามาสมมติกันวันที่สิบสี่มาสมมติกันนะว่าเราเป็นอะไรอย่าบอกใครนะทำเลย ให้คนอื่นเขาจำเราไม่ได้นะสมมติอะไรบ้าบ้าบาบานั่นแหละเป็นคนบ้าบ้างเป็นคนดีมันเครียดแต่คนบ้าอย่างมีสตินะคนบ้ามีสติไม่ใช่คนบ้าซึ่งขาดสติก็เมื่อเช้านี้พ่อครูมีโอกาสดีนะเด็กๆได้พาพวกครูไปหาความสุขเราไปเที่ยวสาขาด่านเม่นกันอยู่กับเด็กมีความสุขมากเพราะไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องระวังตัว เขามีอะไรเขาโป้งๆออกมาเลยเห็นไหมผู <rene> ้ใหญ่เราเนี่ยแปลไทยเป็นไทยคุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นแหละเมื่อเช้าเนี่เด็กๆเขาก็พาพ่อครูไปมีความสุขกับเขานะเอออยู่ๆไอ้เจ้าตัวเล็กเน่ะจะขึ้นป .2 นะมาจากลำปางใช่ไหมเขาก็เดินไปถามพ่อครูหลายคำถามเลยนะเออแล้วจบใช้ว่าเออเห็นบอกที่นี่มีภาพสามมิติ มีสระว่ายน้ำโอเคเดี๋ยวพระครูจะพาไปนะเราก็ได้เดินทางไปเที่ยวกันนะอยู่กับเด็กๆมีความสุขนะเราก็สมมติว่าเราเป็นเด็กไมพระครูก็เป็นเด็กขเขานี่ไม่ต้องมีหัวโขนอะไรเลยเมเบิกบานเบาสบายนะ ก, ก็แจ้งข่าวให้รทราบทีนี้เขาก็ยื่นคำถามเมื่อกี้เนี่ย พงรับเมื่อกี้นี่เนาะกาบเรียนพ่อครูที่เคารพยิ่งการที่เราเลี้ยงสัตว์ด้วยความเมตตาถ้าคนที่ยังไม่บรรลุธรรมจะสามารถเลี้ยงสัตว์ด้วยความเมตตายังไม่มีพัฒนาถึงขั้นความรักความผูกพันจะสามารถแรกความเมตตากับความรักได้ไหมคะ แยกความไม่ใชไหมคะถ้าเราเลี้ยงสัตว์ด้วยความเมตตาแต่ไม่รู้สึกว่าผูกพันกับเขาถ้าสัตว์เลี้ยงจะผูกพันกับเราแต่คนเลี้ยงไม่ผูกพันกับสัตว์จะถือว่าจบไม่ข้ามภบข้ามชาติกันหรือเปล่าค่ะแล้วถ้าคนเลี้ยงรู้ตัวว่าแพ้ขนสัตว์แต่ยังเลี้ยงเพราะเมตตาเพราะมันหลงนะ แต่ไม่ได้ซื้อมาเลี้ยงแต่ก็เลี้ยงด้วยความเมตตาจะถือว่าเป็นการเบียดเบียนร่างกายตัวเองและผู้อื่นหรือเปล่าคะทั้งสามคำถามนั้นก็คือกรรมชี้เจตนานะบางทีเราอ้างว่าเราเมตตาจริงๆแล้วใช่หรือไม่เกสอร์ซทุกวันนี้คนในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเลี้ยงสัตว์เพราะตัวเองเหงาเอาแค่มันมาเป็นเพื่อนเฉยๆห เอาแค่เป็นเครื่องมือในการแก้เหงาเราเท่านั้นเองบางทีเราเมตตามันเราก็จูงมันไปไปเดินเล่นบางเอินเจอสุนัขตัวอื่นเน่มากัดหมาเราเราโกรธสุนัขตัวนั้นมากเลยเราไม่เมตตาหมาคนอื่นแต่เราเมตตาหมาตัวเองเพราะเป็นหมากูกูก็เลยทุกข์ไง <laughs> ระหว่างเมตากับรักเนี่ยแยกได้อย่างไร พ่อครูมีเด็กยากจนที่นี่สาสิบกว่าหมู่บ้านสองโรงเรียนเกือบแปดร้อยคนเขาชื่ออะไรพ่อครูไม่รู้พ่อแม่เป็นใครพ่อครูก็ไม่ต้องรู้แต่พ่อครูเมตตาเขาทุกวันวันเปิดเทอมนะครัวเราเนี่ยต้องทำอาหารเลี้ยงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งครูทั้งญาติที่ทำวันหนึ่งเฉลี่ยประมาณพันคน เมตตาทุกวันแต่ถ้าเรารักเราหวังว่าเราจะช่วยเขานะเราจะเลี้ยงดูเขาเพื่อเขาจะได้มีอนาคตเขาจะดีขึ้นนะแต่พอเขาไม่ดีขึ้นเราก็รู้สึกเสียใจเราก็ผิดหวังนะอันนั้นไม่ใช่เมตตาอันนั้นเป็นเมตตาอย่างขาดปัญญาเมตตาซึ่งแฝงด้วยอามิ t ร แขงด้วยความหวังว่าเขาจะดีขึ้นเราลืมเนื่องจากเราไม่มีปัญญาล่ะเราหวังดีนั่นแหละนะแต่เราไม่มีปัญญารู้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมช่วยไม่ได้แต่เมตตาคือเรามีหน้าที่ให้เขาให้สิ่งดีๆแก่เขานะให้แล้วจบหน้าที่เราจบทุกวันส่วนเขาจะดีขึ้นก็เป็นบุญของเขาเขาไม่ดีขึ้นก็เป็นกรรมของเขา ไม่ใช่เรื่องของเราเราอย่าไปฝืนกฎแห่งกรรมของเขาแต่ถ้าเราเมตตาหรือเรารักโดยมีเงื่อนไขนั่นแหละเราทุกข์แน่ๆนะจริงๆแล้วชีวิตในเมืองเราเราไม่มีทางเลือกเลยเราไม่มีทางเลือกเราก็เลยทําให้สัตว์มันไม่มีทางเลือกเหมือนกันจริงๆแล้วนี่มันต้องอยู่ในป่าใช่ไหม เนื่องจากเราเมตตามันเราก็เลยเอามันมาเป็นเพื่อนแก้เหงาเราคิดเัาเองนะเมตตาจริงหรือเปล่าและอีกข้อหนึ่งคนเนี่ยคืออะไรคิดเอเองนะตอบตัวเองว่าคนคืออะไรถ้าในทางศาสนาในทางธรรมชาติ ที่เขาชี้สั้นๆพวกครูก็เขียนคำนี้คนโบราณเขาเขียนเป็นคำพังเพยนะอยู่ตรงพระปางประสูติตัสรู้และปรินิพานด้านหลังเขียนว่าสี่คนหามสามคนแห่สองคนนั่งแค่หนึ่งคนพาไป ถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราก็จะรู้ว่าคนมันคืออะไรมันประกอบด้วยอะไรสี่คนหามในที่นี้เนี่ยในยะก็คือว่าธาตุสี่เราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะทำให้ไอความมีตัวตวนมันเกิดขึ้นสามคนแห่เราอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์คือลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราหนีไมพ่พ้นกฎเกณฑ์ตัวนี้ จะยิ่งใหญ่แค่ไหนเป็นอะไรก็ช่างเป็นเทวดาเป็นอสุรกายเป็นเศรษฐีเป็นยาจกเราหนีไม่พ้นอยู่ในกฎเกณฑ์สามอย่างนี้คืออันนี้จังทุกขังอนัตตานี่คือกฎพระไตรลักษณ์คือลักษณะสามประการของธรรมชาตินะสองคนนั่งแค่สองคนในยะหมายถึงอะไรหมายถึงบุญบาปก็คือกรรมที่เราสร้าง กรรมมีสองอย่างคือกรรมดีกับกรรมชั่วเราอยู่ภายใต้สองประการนี้ภายใต้กรรมเราทําอย่างไรแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะนี่คือบุญกับบาปหนึ่งคนพาไปอันนี้คือจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายที่เราจะออกจากล่างมันบันทึกกระแสกรรมไว้อย่างไรเนี่ย จิตสุดท้ายเป็นตัวพาตัวนี้ไปไปเกิดอยู่ในร่างที่ดีขึ้นหรือเลวลงคนคืออย่างนี้แต่คนทุกวันนี้เกิดมาไม่ใช่อย่างนี้นะเขาก็สมมุติตั้งชื่อให้เราลูกชื่อบัญชานะพ่อพ่อแม่เรียกแล้วมีความสุขมากตอนนั้นเขาปรึกษาเราเราก็พูดไม่เป็นคนคนนี้ก็เลยกลายเป็นบัญชา ไปกบเกลื่อนธาสี่แล้วก็คนที่รักเรามากเนี่ยเขานับถือศาสนาพุทธเขานับถือศาสนาอิสลามเขานับถือศาสนาคริสต์หรือฮินดูเขาก็เชื่อว่ามันดีเขาก็ให้เรานับถือตามเขาว่าพุทธนะลูกพ่อกับแม่บอกมันดีเขียนลงไปในใบเกิดเขียนลงไปในทะเบียนบ้านเราโดยที่ เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันก็กรอบเกินความเป็นคนของเราอีกนะเราเป็นบรรชาเราเป็นชาวพุทธเราเป็นชาวอิสลามเราเป็นชาวคริสก็กรอบเกินความเป็นคนลงไปเนะเหมือนเด็กคนหนึ่งเกิดมามีผ้าขาวผืนหนึ่งเหมือนกระดาษขาวใบหนึ่งแต่มีจุดด่างนิดหนึ่ง ถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ดูจริงๆเนี่ยไม่เห็นนะจุดด่างนั้นเท่ากับเข็มเขี่ยปึก๊กไอ้จุดด่างนั้นคือกระแสกรรมที่เรามาเกิดนี่เนื่องด้วยกรรมมันยังไม่ใช่สะอาดบริสุทธิ์จริงๆ จ, จิตที่เกิดมาใหม่เรียกว่าจิตเดิมนะมันเป็นจิตเดิมผ้าขาวเขาก็ใส่ชื่อให้เราใส่ศาสนาให้เรา ใส่วิชาการสร้างอนาคตให้เราลูกโตขึ้นอยากเป็นอะไรใครบ้างไม่เคยพูดกับลูกคำนี้ครูคนไหนบ้างไม่เคยถามนักเรียนว่าลูกโตขึ้นอยากเป็นอะไรถ้าเราไม่หลอกตัวเองนะทุกคนเคยพูดหมดกลายเป็นภาษาปกติของมนุษย์ทุกนี้คำว่าเป็นคืออะไรรู้ไหมเป็นก็คืออัตตานั่นแหละเราสอนให้เขามีอัตตา เห็นไหใส่เข้าไปเลยธรรมชาติมันเป็นอนัตตามันไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เราถูกใส่อัตตาเข้าไปต้องเป็นน่นเป็นนี่แล้วฉันก็อยากเป็นฉั้นต่อสู้เพื่อความเป็นพอเป็นได้ก็ดีใจพอเป็นไม่ได้ก็เสียใจเป็นคนเก่งเป็นคนชนะเห็นไหมไอ้สิ่งฟุ้งแต่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มาครอบงำความเป็นคนของเราเราก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เราเป็นใครกันแน่ เรากลายเป็นสิ่งที่สังคมอยากให้เราเป็นเราเป็นคนไทยเราก็ใช้ภาษาไทยมาคิดฝรั่งก็ใช้ภาษาฝรั่งมาคิดคนจีนก็ใช้ภาษาจีนมาคิดภาษาเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติมันไม่มีอยู่จริงตามธรรมชาติมนุษย์สร้างมันขึ้นมาทีหลังแต่ก็เป็นเครื่องมือสื่อสารถ้าเรามีปัญญาล้วก็เข้าใจใช้เครื่องมือสื่อสารตัวนี้พูดให้เราเข้าใจกัน แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเรามีแต่ความเก่งความสามารถนะมีแต่ความรู้เราก็ใช้ภาษาซึ่งเป็นเครื่องมือนี้เนี่ยไปขัดแย้งกันไปทะเลาะเบาแวงกันไปเถียงกันว่าฉันเก่งกว่าเธอเราถูกครอบงาจนตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะเกิดมาเราเรียกว่าจิตเดิมทีนี้พอถูกปรุงแต่งเข้าไปเรียกว่าจิตปรุงแต่งตอนนี้ไอ้ผ้าขาวขาวมันลายหมดแล้วล่ะ เราลืมเลยว่าเกิดมไม่ใหม่เราเป็นยังไงเห็นไหมเรากลายเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นนักภาษาไทยชัดเจนไหมนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นักกฎหมายนักการเมืองนักนี่ทางเหนือแปลว่าหนักหนักไปทางใดทางหนึ่งก็แบกไอความเป็นตรงนั้นแหละเห็นไอัตรามันก็เกิดขึ้น พะเราสร้างมันขึ้นมาเองก็ให้เราเข้าใจว่าเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะเราอยู่ในกฎของธรรมชาติลักษณะสามประการของธรรมชาติคือมันไม่เที่ยงไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างเที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายมันเปลี่ยนแปลงตลอดถ้าเราหันไปดูอัลบัมสมัยเราเด็กๆนะ หรือยุคนี้เรามีวีดีโอคุณพ่อคุณแม่ถ่ายว่าเด็กๆเนี่ยเรารีววไปดูนะเอ๊ะไอ้เด็กๆคนนั้นอะ่ะมันคือเราหรือเปล่าคนเดียวกันไหมทำไมตอนนี้มีเข่าผมยาวแล้วผมขาวหมดฮะมันทำไมไม่เป็นอยู่อย่างนั้นเด็กๆเนี่ยมันไม่ต้องโตได้ไหมไม่ต้องแก่ได้ไหมเห็นไหมคนเดียวกันหรือเปล่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นี่คือกฎของธรรมชาติวิยทยาศาสตร์เก่งไหม เก่งไหมเออสามารถคนนี่อะไรสามารถทําให้มนุษย์เนี่ยสาวตลอดหนุ่มตลอดได้ไหมเอาแปดสิปีก็หนุ่มเออมันจะตายแปดิปีก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันหนุ่มมันสาวอย่างนี้ตลอดได้ไหมเราทําได้ไหมเราเก่งจริงๆริงไมเราฝืนกดพัฒความจริงตามธรรมชาตินี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กดสามอย่างนี้คือมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันเป็นทุกขัง ทุกขังมันดมลงอยู่ได้ยากทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงมันทุกขังทุกขังในกฎพระไตรักนี่ไม่ใช่ทุกที่ตรงข้ามกับสุขไอ้ทุกตรงข้ามกับสุขอยู่ในอริยสัจสีนั้นอันนั้นเปลี่ยนแปลงได้เราเปลี่ยนแปลงจากเราทุกทําให้เราพ้นทุกได้แต่กฎพระไตรักทุกขังตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกกี่ล้านปีมันก็คงอยู่เพราะมันคือกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติ เพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาอนัตตาที่แปลว่าไม่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยนะมันก็แปลได้แต่ว่าพาะครูว่ามันไม่ค่อยชัดเจนนะภาษาใกล้เคียงที่พอครูชอบแต่แปลออกมาก็ผิดแล้วละ่ะเพราะภาษามันหยาบเกินไปที่พูดปุ๊บเราจะเข้าใจสิ่งนั้นจริงๆแล้วอนัตตานี่มันไม่ใช่ไม่มีตัวตนนะมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอน คนที่ชื่อบัญชานั่งอยู่ที่นี่บัญชาเป็นคนสิ่งสมมตินั่งที่นี่มันมีอยู่แต่มันเป็นสิ่งชั่วคราวมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนเพราะมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็สลายทำไมมันถึงเป็นเพราะมันเป็นทุกขังนะมันเป็นกฎเกฑนของความทุกขังคือดำรงอยู่ได้ยากเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงอันนี้คือสัจธรรม ซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่ใช่สัจธรรมที่ผู้ที่เจ้าเนบไปตะไปตาขึ้นมาผู้เจ้าไปตัดสรู้สิ่งนี้พระองค์ไปเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้มีอยู่แล้วคู่โลกคู่จักรวาลอยู่กับธรรมชาติพระผู้เจ้าไปตัดสรู้มาไปเห็นมาไม่ใช่สิ่งที่มาบัญญัติขึ้นทีหลังนะอีกกี่ล้านปีมันก็คงอยู่คนก็ประกอบด้วยสิ่งนี้แหละประกอบสิ่งนี้ มันต้องอาศัยหนึ่งกรรมกรรมถึงสร้างให้มันเกิดมาเป็นสิ่งนี้กรรมแล้วก็จิตถ้าไม่มีจิตความมีชีวิตเกิดขึ้นไม่ได้จิตเป็นตัวบันทึกกรรมบันทึกโปรแกรมกรรมเป็นตัวเวียนไหวตายเกิดเป็นตัวทำให้ความมีชีวิตเกิดขึ้นจิตมันก็มีวิญญาณทั้งหกวิญญาณขันวิญญาณ ทำให้ความมีชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็ต้องประกอบด้วยอุตุอุตุก็คืออุณหภูมิถ้าไม่มีดวงอาทิตย์พวกเราตายหมดภายใร่างกายไม่มีความอบอุ่นความร้อนเนี่ยมันย่อยสลายอาหารไม่ได้เนี่ยคือเราต้องประกอบด้วยอุตุและอันที่สี่เนี่ยคืออาหารเราอยู่ได้เพราะเรามีอาหาร เราต้องเลี้ยงตัวอาหารถ้าเรากินอาหารที่ผิดมันก็ส่งผลทาให้ร่างกายไปในทางที่ผิดถ้าอาหารที่ถูกก็ส่งผลให้ทางที่อาหารที่ถูกผลของมันคือเกิดจากว่าร่างกายแข็งแรงไม่แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากอากาศาสารอาหารก็แล้วแต่หรือกินอะไรมากเกินไปหรือกินถูกกินผิดก็แล้วแต่มันก็ส่งผลตรงนั้นแลวทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เราก็พยายามมาวิจัย มาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะยกตัวอย่างง่ายๆนะที่พวกเขาเนี่ยบางทีก็สัมผัสมันทุกวันอยู่ปวดหัวก็ไปกินยาแก้ปวดให้มันหายจริงๆนะมันหายมันฉับพลันเลยหายนะนะแล้วก็คิดต่อพอลิ์ยามันหมดเนี่ยมันก็ปวดอีกยามันไม่รักษาค่ะ มันไม่รักษาหายมันไปกดระบบประสาทไม่ให้รับรู้สึกความรู้สึกปวดตัวนั้นชั่วคราวเราแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุคือเราสร้างมโนกรรมพระครูนี่คนหนึ่งธรรมชาติเขาส่งพระครูไปพิสูจน์40ปีวิ่งไปตามโลกบั้นปลายชีวิตไปต่อสู้ที่เวทีใหญ่ที่อเมริกาตอนทำร้านอาหารน่ยมันก็เหนื่อยแค่กาย กลางคืนนอนหลับมันก็หายพรุ่งนี้เช้าก็วิ่งกันใหม่ร้านอาหารพ่อครูเดินทำงานไม่ทันต้องวิ่งยังไม่เปิดประตูมันก็ยืนายแล้วมันก็เหนื่อยแค่กายทีนี้ความโลภความอยากของเราเพราะเราถูกสอนว่าเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขเราซื่อสัตย์ตั้งมั่นกับอุดมการณ์ตรงนี้มากนะแค่ายได้ร้านอาหาร ก, ก็กินไม่หมดแล้ว มันยังไม่พอไงมันก็ไปจับทุรกิจคอมพิวเตอร์บางเอิญไม่รู้ผลบุญผลกรรมกันแล้วแต่ในอดีตมันก็ทำให้เรายิ่งทำยิ่งเงินเยอะยิ่งเงินเยอะให้เยอะจนให้มันเห็นทุกข์เงเพราะเราคิดนอกกรอบไม่ได้ชีวิตต้องสู้แล้วส่วนหน้าก็สู้ตาย สู้จนวันตายวันจะตายยังไม่ยอมอีกสร้างตึกขึ้นมาตั้งเก้าบเชั้นอีกแค่ชั้นเดียวมันมีชั้นหนึ่งมันมีร้อยชั้นสู้มันไม่ได้นะยังไม่ยอมแพ้ยังเรียกลูกเรียกหลานมาสร้างต่อกลัวว่าลูกมันจะไม่ทุกข์เหมือนเรารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นเพราะเราถูกใส่โปรแกรมผิดเข้าไปเนี่ยเขาส่งให้พ่อครูไปริมรถตรงนั้น พอบื่อมาชีวิตแค่นี้เหรอหาเงินหาเงินหาเงินหาเงินหาเงินหาเงินพอเบื่อปุ๊บเราจะแก้ยังไงภาษามันบอกว่าทำไมโง่จังไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวเลยทำงานเหนื่อยไม่พอนะยังไปนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปปีนเขาให้มันเมื่อยอีกแล้วบอกว่าสนุกไปตีก็ไปตากแดดตากลมตากฝนไปเดินให้มันเมื่อย อ, อีกแล้วบอกว่ามีความสุข เราไปเอาความสนุกสนานนี่มากบเกินความเบื่อเราท่านนั่นเองเพราะครูหาคําตอบอยู่เจ็ดแปดปีแล้วอะไรล่ะอะไรล่ะมันคือความสุขที่แท้จริงมันคิดไม่ออกแล้วมันวาดตัวความสุขออกมาไม่ได้เลยมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรลองให้เด็กๆวาดตอนนี้นะเด็กๆระหว่างเรียนมัธยมปลายหรือว่าเรียนปริญญาเนี่ยเขาจะวาดอะไรรู้ไหมเขาจะวาดคลือหา่า เรือยอดเครื่องบินรถหรูๆเงินทุกสกุลนั่นแหะคือความสุขของเขาเพราะครูไม่เห็นความสุขเพราะถูกใส่โจ์ผิดเข้าไปนะไอ้บุญกุศลนั่นแหละทาให้พ่อครูไปเห็นทุกที่อเมริกาไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรมมันบอกไปเที่ยวสิ ยังไม่ไปก็รู้ว่าจะไปทําอะไรมันทํามาหมดแล้วไงแล้วก็คิดว่าถ้าชีวิตมันแค่นี้อนี่ยจำเจซ้ํำซากมองไปหาลิงทําไมมันมีความสุขกว่าเราคําว่าลิงโลดมันตีลังกาได้หมายถึงความเบาของมันเอาไหนบอกว่าเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐไงทําไมเราไม่สุขกว่าลิงไม่ได้มันยังไม่สําเร็จฉันต้องค้นคว้าวิจัยนะ ต้องทำให้มันสำเร็จก่อนไม่มีวันสำเร็จสำเร็จแปลว่าเสร็จแล้วเสร็จเรื่องนี้ก็ยังไม่พอยังจะเอาเรื่องนั้นอีกมันก็เลยไม่มีวันสำเร็จเพราะมันไม่มีวันเสร็จเพราะเราถูกเป้าหลอกเราทำเพื่ออนาคตเราไม่ได้ทำเพื่อชีวิตนะอันนี้ประเด็นที่พรอครูผ่านมาหมดนี่ก็พูดถึงเรื่องว่าคนคืออะไรแต่ตอนนี้คนคืออะไรก็ไม่รู้ คนคือสิ่งที่เขาบอกว่าให้เราเป็นเราเลยกลายเป็นสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็นแต่มันสวนทางกับคําสอนพระพุทธเจ้านะเนี่เถียงกันอัตตานัตตาอยู่ัรงนี้แหละบอกนิพพานเป็นอัตตาคนมุนบอกนิพพานเป็นอนัตตานะบางคนมาถามพ่อครูแล้วนิพพานมันเป็นอะไรห่ะถ้ามันยังเป็นอะไรอยู่มนันนิพพานไม่ได้มันไม่มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรนิพพานมันยังไม่ใช่นิพพานเลยจะเป็นอะไร คำว่านิพานก็ไม่ใช่มันเป็นชื่อสมมุติเรียกสภาวะที่มันดับทุกข์ได้แล้วเหมือนด็อกเตอร์นี่เราจบด็อกเตอร์นี่ด็อกเตอร์ไม่เกี่ยวกับตัวเรานะด็อกเตอร์นั่นด็อกเตอร์นั่นด็อกเตอร์นี่ด็อกเตอร์คือมาตรวัดความรู้ของคนนั้นเท่านั้นเองนิพานก็เหมือนกันเป็นชื่อสมมุติว่าจิตดวงนั้นเขาดับทุกข์ได้แล้วอันนี้ไปเฉียงกันนิพานเป็นอัตตานัตตาถ้ามันยังเป็นอยู่เนี่ยมันนิพานไม่ได้ นิพานยังไม่ใช่นิพานเลยล้วบอกว่าคือความว่างเดี๋ยวความไม่ว่างก็เกิดขึ้นมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละพาะครูเคยไปเยี่ยมญาติธรรมที่เมืองอุบล น, นะครอบครัวนี้เขาซื้อรถคันใหม่เมื่อไหร่เนี่ยหลังรถเขาจะเขียนภาษาพระครูเป่งวิ่งวนเวียงวางว่างคุณคือสิ่งที่คุณทำเขียนอยู่นั่นนะ่ะปีนั้นเขาซื้อรถคันใหม่ มันก็เขียนคําว่าว่างเขาก็เชิญพระครูเนี่ยทุกครั้งก็เชิญพระครูไปจับรถเข้านอยจับรถเข้ามอยเขาก็ชี้ว่ามันว่างพระครูไม่ว่างแล้วมันว่างอยู่ดีๆไปเขียนให้มันไม่ว่างมนุษย์เราอะไรกันนักหนาเนาะเห็นไหมล่ะหลายปีก่อนเนี่ยมีแห่งวัดแห่งหนึ่งเชิญพระครูไปบรรยายธรรมพระคุณเจ้าที่นนท์ก็มาแลกเปลี่ยนท่านเป็นศิลปินนะ ท่านวาดเก่งมากท่านก็พยายามจะถ่ายทอดวิชานี้ให้พ่อครูพ่อครูบอกอาจารย์พ่อครูไม่มีไหวพริบตรงนี้พ่อครูแก่แล้วเลยไปให้เด็กๆทั้งโรไม่ได้ต้องพลังอย่างพวอครู <c oughs> ท่านก็เอาให้ดูภาพนี้ท่านจ้ำเดียวนะจ้ำทีเดียวในประมูลขายสองแสนพ่อครูไม่กล้าพูดนะพ่อครูก็คิดอยู่ในใจกระดาษมันว่างอยู่ดีๆทําให้มันไม่ว่างยิ่งมีราคานะพ่อครูหนีมันมา มันว่างแล้วไปทำให้มันไม่ว่างทุกวันนี้โลกจักรวาลมันเสรีอยู่แล้วยังในป่าดงดิบเนี่ยสัตว์ทั้งหลายอยู่อยากันอย่างเสรีนกฝรั่งเศสบินมาเมืองไทยไม่ต้องขอวีซ่าเลยเห็นไหมมนุษย์เราทำลายเสรีหมดประเทศเธอประเทศฉันแล้วก็มาเรียกร้องเสรีกันเสรีไม่ต้องเรียกร้องมันมีอยู่แล้ว แต่เราทำลายมันหมดแล้วก็มาเรียกร้องเสรีกันนี่คือความโง่เขลาของมนุษย์เราพวกครูก็เป็นคนหนึ่งในมนุษย์ในยุคนี้ก็โง่ไปแล้ว4ี่สิบปีแต่ยี่สบปีหายโง่แล้วแต่เป็นยังเป็นคนโง่ในสายตาคนอื่นอยู่นะเป็นคนสิ้นคิดเพี้ยนไม่เหมือนคนอื่นอยู่อเมริกาดีๆ อยู่เมืองนอกดีๆมาอยู่บ้านนอกเป็นคนไม่มีอนาคตเขาไม่รู้หรอกอีกอย่างหนึ่งนะเป็นคนไม่มีวันฝุดวันเกิดสตางหากอีกพราะครูเข้าใจเขาพราะครูไม่เคยต่อล้อต่อเถียงเขาด้วยเพราะพ่อครูเคยเป็นแบบเขามาแล้วแต่เขาไม่เคยเป็นแบบพ่อครูเขาไม่มีวันเข้าใจไม่ต้องให้อภัยด้วยเพราะเขาไม่ได้ผิดอะไรพ่อครูไม่ต้องให้อภัยใครนะ ไม่ต้องเสียเวลาเลยเพราะว่าไม่มีใครถูกใครผิดถูกผิดดีชั่วก็เป็นภาษามนุษย์ธรรมชาติมันไม่มีทาษามันไม่รู้ด้วยถูกผิดดีชั่วคืออะไรทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเราหาเรื่องแบกเราก็หนักเราวางเราก็เบาเท่านั้นเองมันไม่ใช่ถูกหรือผิดดีชั่วพว่อครูเลยไม่ต้องให้อภัยใครนะก็รีบผ่านดีวกว่ามันยิ่งเยอะอยู่ เดี๋ยวจะไม่มีเวลาปฏิบัติเนะข้อต่อไปปฏิบัติแนวนี้ดูไม่ออกว่าจะทำให้สงบได้อย่างไรดูแล้ววุ่นวายมากไม่สารวมเสียงก็ดังดังอย่างกับดิสโกโ้เทคเต้นแรงเต้นกายอย่างกระลิงเลยมันจะสงบได้อย่างไรถ้าเป็นสมัยก่อนพ่อปู่ก็ว่าอย่างนั้นแหละงงศูนย์ปฏิบัติทำอะไรจะทำอย่างนี้ ยิ่งกว่าดิสโก้เทคอีกอคือเสียงอึกทึกครึกโครมหน่อยไม่ใช่ที่มาของความไม่สงบความไม่สงบเกิดขึ้นจากอารมณ์และท่าทีที่เรามีกับมันคำว่าสงบไม่ได้แปลว่างเงียบสงบเงียบเป็นสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่เกี่ยวกับจิตจิตต้องสงบนิ่งเอานิ่งนิ่งก็อยู่เฉยเฉยนั่งเฉยเฉยเหมือนตอไม้สิไปเต้นแง้งเต้นกาทาไมนิ่งก็ไม่ได้อยู่เฉยเฉยเหมือนตอไม้ ท่านิ่งอยู่เฉยๆมันต่อไมบ้บรรลุธรรมไอ้เก้าอี้ตัวนี้มันบรรลุธรรมไปแล้วนิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวนิงน่งอยู่กับทุกอริยบทนิ่งอยู่กับทุกๆสิ่งที่เรากำลังดําเนินเห็นไหมภาษามันหยาบมากพูดออกมาปุ๊บก็เข้าใจคนละเรื่องพระพุทธเจ้าทึ่บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อตําราตํารามันในรูปของภาษาจะเป็นภาษาบาลีสันสกิตหรืออินเดียโบราณหรือแปลเป็นไทยก็ช่าง พอเขียนเป็นภาษาปุ๊บมันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นไม่งั้นเราทำไมต้องมีทนายความทำไมจะต้องมีอัยการทำไมต้องมีศาลถ้าภาษาอ่านปุ๊บเข้าใจกันเลยเนี่ยไม่ต้องไปเถียงกันไงเพราะภาษามันหยาบเกินไปที่จะพูดปุ๊บเข้าใจเหมือนกันผู้เจ้าถึงกันไม่เลยว่าอย่าพิ่งเชื่อตารานะอย่าพึ่งเชื่ออย่าพิ่งเชื่อคนที่เขาพูดน่ยเป็นครูบาอาจารย์เรา ถ้าเขาพูดโดยภาษาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าท่านเป่งออกมาร้อยเปอร์เ็นลยล่ะแต่ปัญญาเราไม่ถึงเราเข้าใจผิดเราก็ไปปฏิบัติผิดไงองค์คุลิมานก็ถูกครูบาอาจารย์หลอกให้ไปฆ่าคนเก้าร้อยหนึ่งพันคนนั่นแหละเห็นไหมอย่าเพิ่งเชื่อพวะ อ, องยิ่งใหญ่มากรู้ได้ยังไงว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้สองพันกว่าปียังไม่ล้าสมัยเห็นไม เราไม่เข้าใจไม่ใช่ฝึกสมาธิไปกดมันไว้เราเคยฝึกนะโอ้ยมันสงบไงสงบไงพอไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเขาปิดวาจาสิบห้าวันห้ามพูดปิดวาจาสบายสบายไม่ต้องได้ยินใครพูดอะไรเลยฉันก็ไม่ต้องพูดแต่พอกลับบ้านต้องพูดแก้แค้นไม่ได้พูดมาสิบห้าวันยิ่งบ่นมากกว่าเก่าอีกอลูกผัวว่าปฏิบัติธรรมยังไงก็ฉันบังคับ เขาถูกบังคับไม่ให้พูดสิบห้าวันตอนนี้ต้องพูดแก้แค้นไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปกดมันไว้สปริงไปกดมันไว้พอกดอยู่มันก็กดอยู่พอเผลอปุ๊บไอ้ลูกโตมาชนก็เด้งผางอีกเราต้องไปเอามาเอาเชื้อที่ทำให้เราไม่สงบออกมานี่คือขัดเกาจิตให้ผ่องใสไม่ใช่ไปเพิ่มสติเพิ่มสมาธิแก้ที่ต้นเหตุของมันทาลายสปริงซะ ทำลายมันซะเมื่อทำลายเสร็จแล้วไม่ต้องโกดอีกเลยมันสงบตลอดการมันไม่มีผลสำหรับเราแล้วนี่คือดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์นี่คือขัดเกลีจิตให้ผ่องใสไม่ใช่ไปเพิ่มสมาธิเพิ่มสติแต่การขัดเกลีจิตให้ผ่องใสต้องใช้กำลังต้องใช้สติใช้สมาธิต้องใช้มันยิ่งใช้ก็ยิ่งชำนาญก็ทุกคนก็อ้างพุทธเจ้าเพราะคูก็อ้างพุทธเจ้าเป็นออกมาอันเดียวกันนั่นแหละทำไมตีความไม่เหมือนกัน เพราะปรัชญญามันต่างกันต่อแค่นี้พอแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะไม่หมดนะตามที่พระครูได้อธิบายคำว่าทุกขไว้แล้วในวันเสาร์ที่4เมษายนที่ผ่านมาจึงขอกราบเรียนถามอีกสองเรื่องเพื่อให้กระจ่างแบบครบสายผ่านนะคะอุตสาหกรรมธรรมะ เป็นกระบวนการเป็นสายพันธุ์เป็นแพทเทิร์นเป็นแพ็กเกจเนาะคือขอทราบความหมายของคําว่าความพ้นทุกข์และวิธีการที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกข์ 1. เรื่องความพ้นทุกข์ตามที่พ่อครัวอธิบายว่าทุกมีสองอย่างคือทุกแท้คือทุกที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายคือทุกทางกายและทุกเทียม ทุกที่เกิดจากจิตที่ถูกปรุงแต่งจากกิเลสตัณหาอุปทานคือทุกทางใจซึ่งน่าจะครอบคลุมทุกทางใจที่เกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายด้วยอันนี้ขอแก้ข่าวหน่อยนะพวกครูมไม่ได้พูดว่าทุกเทียมหรือทุกแท้นะแต่ว่าพยานปีความหมายเนี่ยนะถ้าจะพูดจริงๆเลยมันไม่มีแท้ไม่มีเทียมสักอย่างหนึ่ง มันไม่มีแท้สักอย่างหนึ่งนะมันเป็นมายาทั้งนั้นแหละเอาเป็นว่าที่เข้าใจตรงนี้เนี่ยที่หมายที่หมายความว่าทุกพวกเกิดแก่เจ็บตายวันนั้นพราะกูใช้ควาว่าเป็นทุกพื้นฐานเนื่องด้วยกรรมที่เราสร้างมาทำให้เราต้องมาเกิดแล้วก็เราแหกปากร้องตั้งแต่วันแรกเราต้องมาทุกตามธรรมชาติคือต้องทุกพวกเกิดแก่เจ็บตายนะทีนี้พอเกิดมาแล้วเราเผลอปุ๊บ แล้วก็มาใส่ข้อมูลผิดใส่อวิชชาเข้าไปชีวิตต้องสู้ความสุขเกิดจากการบริโภคความสุขเกิดจากการมีเยอะๆความมั่นคงเกิดจากการมีเศรษฐกิจเยอะๆเห็นะอันนี้ทุกเกิดจากการปรุงแต่งขึ้นมาแต่ที่ที่ที่ที่ที่คำถานใช้คำว่าทุกเทียมนะก็ไม่อยากจะให้ใช้คำนี้นะมันไม่ใช่ทุกแท้ทุกเทียมนะเอาเป็นว่าทุกพื้นฐานที่ คนเราเกิดมาปุ๊บต้องรับตั้งแต่วันแรกมันต้องแหกปากร้องแล้วทำไมเขาร้องไห้ทำไมเขาไม่หัวเราะว่าดีใจจังเลยฉันอิสระแล้วนะเขาร้องไห้เพราะสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติเขาจำได้หมายรู้ว่าเกิดทีไรทุกทุกทีเดเกิดมาใหม่ๆมันระลึกชาติได้นะเพราะยังไม่ยังไม่ใส่ขยะเข้าไปแต่ธรรมชาติก็ทาให้เขาไม่ต้องพูด ไม่ต้องพูดถ้ามันพูดเป็นเป็นเรื่องเลยน ะ, ะบางทีเขาเรียกแม่เขาว่าเฮ้ยไอ้ i, เพื่อนรักนะมันเคยเป็นเพื่อนกันมาแล้วนะดีไม่ดีเรียกลูกด้วยมันก็ร้องไห้โดยสัญชตาตญาณว่าเขาจาได้หมายรู้ว่าเกิดทีไรทุกทุก ท, กทีเหมือนปลาเนี่ยนะปลาน้าจืดทำไมเขารู้ว่าปลาเป็นทวนน้าปลาตายตามน้าทำไมเขารู้ว่าต้องทวนกระแส คำตอบคือเขาไม่ได้ไปโรงเรียนถ้ามันไปโรงเรียนเมื่อไหร่ปุ๊บนี่มันจะมักง่ายมันจะตามกระแสมันจะกลัวไม่ทันเขาตามแปลว่าไม่ทันมันก็จะมักง่ายมันก็วิ่งไปตามน้ำร่วงทะเลตายหมดทําไมมันไม่ทําอย่างนั้นเพราะมันมีสัญชาตญาณสัญชาตญาณมันยังอยู่มันไม่ถูกความรู้ผิดครอบไว้มันไม่ถูกตั้งชื่อ พ่อคูอยู่ที่เขื่อนนี่นะบ้านพัอพ่อคูอยู่ริมเขื่อนในเขื่อนนี่มีปลาหลายหลายพันชนิดแล้วทุกชนิดมันไม่ได้แต่งเสื้อผ้าเลยมันโป๊แต่มันไม่เคยมั่วเผาพัานเลยไม่เคยเห็นปลาดุกผสมปลาช่อนไม่เคยเห็นอีแรงผสมกับอีกามีมนุษย์เท่านั้นแต่ปลามันไม่ทำ เห็นไหมปลามันถึงรู้จากทวนกระแสมันไม่ประมาทมันว่ า, ายทวนกระแสตลอดมันรู้มันรู้อยู่แล้วธรรมชาติมันรู้อยู่แล้วมันเป็นปัญญาตามปกติเป็นสัญชาตญาณญาณ น, นี่คือตัวรู้นะตัวปัญญาตามธรรมชาติแต่ตอนนี้ญาณรู้เราหายไปไหนหมดเด็กผู้หญิงทุกวันนี้เนี่ยตั้งท้องไม่รู้นะไม่รู้นอกจากมันแสดงอาการต้องไปให้หมอบอกว่าเธอตั้งท้อง ยี่กว่าปีก่อนมาใหม่ๆนะผ่านโงที่โรงเรียนนั้นเขาก็เอากระต่ายมาให้สองตัวกระต่ายเล็กๆตัวผู้กับตัวเมียเอามาทําไมลูกเพราะน้องขีเกิดปีกระต่ายนะถ้าเลี้ยงมันไม่ได้นะลูกอย่าไปขังมันนะมันมันมันนั่นเขาต้องเป็นเวรเป็นกรรมอะไรต้องไปกั้นตะแกรงรั้วเป็นหนึ่งไล่เลยนะเพื่อการสุนัขไม่ให้ไปกัดมันก็ปล่อยมันเป็นมันเป็นกระต่ายพันกระต่ายป่า พอมันผ่านไปหเดือนเขาสนิทกับเรามากเราผิวป่ากก็วิ่งเข้ามาแต่ว่าไม่ต้องให้อาหารไม่ใช่ไปเลี้ยงแบบนั้นมันกินหญ้ามันเลี้ยงดูตัวมันเองได้เพียงแต่เราป้องกันไม่ให้มันอันตรายเท่านั้นเองสักพักหนึ่งกระต่ายสาวเนี่ยเอ๊ขนมันหลุดพอครูเรียกมันมาผิวป่ากก็มานะก็นั่งดูกันเอ๊ไอตัวผู้ไปกัดขนมันหรือเปล่าหรือมันเป็นโรคอะไรหรือเปล่ามันก็ไม่มีแผลอะไรเนี่ยนะสักพักหนึ่งมันก็หายไปสองสามวันนะ เราก็เอาไฟฉายมันไปมันไปขุดรูขุดหลายรูมากก็นั้นเป็นหน้าฝนพอดีมันก็ไปเลือกรูซึ่งอยู่ใต้ชายคาซึ่งดบฝนได้แล้วสองไฟฉายเข้าไปขนที่มันหายไปเนี่ยมันไปปูให้ลูกมันนอนเนาะมีด็อเตอร์คนหนึ่งมานั่งคุยบอกหลวคุยก็ถามกันว่ากระตายสาวท้องแรกนี่ทำไมมันรู้ว่ามันต้องดึงขนไปปูให้เพราะพ่อแม่มันเลี้ยงถูกในกรงเหล็กนะ เขาปูผ้าให้มันมันขุดรูก็ไม่ได้อันนี้มันทำไมรู้ว่ามันต้องขุดลูมันต้องรู้ทําไมว่ามันดึงขนให้ลูกมันนอนเออมันเลี้ยงลูกด้วยนมมันอาจจะจําได้มันกินนมแม่มันมันก็ออกมากินหญ้าก็เลี้ยงลูกมันสักพักหนึ่งลูกเจ็ดตัวก็วิ่งออกมาเพราะอะไรทําไมมันรู้ทําไมมันรู้แนะมันรู้มันท้องมันไม่เคยท้องเลยในชาตินี้นะ มันท้องแรกด้วยมันเตรียมมันเตรียมมันเตรีย ม, ม, ยมขุดรูออกลูกเพราะมันมีสัญชาตญาณแล้วตอนนี้สัญชาตญาณพวกเราหายไปไหนหมดเพราะเราถูกความรู้ผิดมันคอบไว้นะเด็กสาวคนหนึ่งหลายปีก่อนพ่อครูดูหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งคลอดลูกแล้วไปทิ้งที่สะพานลอยกรุงเทพเพราะเขาสืมหาสืมหาก็ไปดู้ว่าแม่เป็นใคร พ่อครูก็เอาเรื่องนี้มาคุยกับเด็กที่นี่สมัยก่อนเนี่ยน้องขีนี่ลูกสาวเนี่ยถ้าจะเป็นหนูรองยาก็รุ่นแรกพราะครูเปิดกศนเนาะพราอครูเปิดกศ น, นะ ก, นการศึกษานอกโรงเรียนไม่ให้ไปโรงเรียนในระบบเดี๋ยวมันจะฉลาดเกินไปพวกผู้ขวานหนีมาจากเมืองนอกมาอยู่ในบ้านนอกแต่ที่นี้เราอยู่ว่าสังคมอย่างนี้เขาไม่เรียนก็ไม่ได้เขาต้องเรียนนะ ก็เลือกเรียนพ่ะครูก็เลือกไปเลือกมาเลือกได้กสอนอวิชาหลักที่นี่คือศีลสมาธิปัญญาอาทิตย์หนึ่งเรียนแค่สองวันก็คือเสาร์อาทิตย์มาอยู่ที่นี่คืนวันเสาร์ต้องนอนอยู่ที่นี่ครูทุกคนต้องนอนอยู่กับเด็กคืนวันเสาร์พระครูสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่สอนให้รู้ว่ามันคืออะไรนะต้องทำเลยทาเลยทาเลยปฏิบัติเลยให้มันเกิดศีลสมาธิปัญญา พอรุ่นนี้เขาจบม .6 เราเรียนในระบบเนี่ยม .1 ถึงถึงถึงม .6 เนี่ยห้าหกปีแต่เราเรียนกศนในยุคนั้นสามปีก็จบแล้วน้องขีกับเพื่อนเขาสามคนพอจบม .6 บวชชีบวชที่นี่วันวิสาขาบูชาน้องดอนลูกชายคนเล็กก็บวชเนนวันเดียวกันถวายพระพุทธเจ้าทีนี้เขาก็ไปเรียนวิทยายลัยไม่ชี มหนึ่งถึงมหกพ่ะครูไม่สอนภาษาอังกฤษแม้แต่คำหนึ่งคือเราเป็นเกษตรกรไม่มีเหตุผลต้องไปใช้มันทุกวันนี้เขาสอนภาษาอังกฤษทำไมรู้ไหมเพราะมันจะหลอกเราได้ไงถ้าเราพูดฝรั่งไม่เป็นฝรั่งมันหลอกเราไม่ได้หรอกให้เราอ่านฉลากออกโฆษณาชวนเชื่อให้เราอยากได้พ่อครูไม่ได้สอนแต่ที่นี้พอไปเรียนนั้นแล้วเนี่ยเขาบังคับต้องเรียน ไม่ชี้สามรูปนี้ต้องนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดเลยหลายวิชาไม่เคยเรียนเลยนะเรียนแต่ศีลสมาธิปัญญาเขานั่งนับหนึ่งใหม่แต่สี่ปีผ่านไปทั้งสามคนนี้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งทั้งสามคนไม่ใช่เขาเก่งนะแต่เขาไม่โง่เขาไม่ต้องไปเรียนวิชาโง่ๆไปแบกไอ้ขยะบ้าๆบอๆไปท่องจํามหนึ่งเสร็จแล้วจําเกือบตาย เขา ป, ประเมินความจำกันเออเธอจำเก่งผ่านได้เกียรตยมอันดับหนึ่งแต่ว่าทำอะไรก็ไม่เป็นพอมอสองปุ๊บไปท่องจำเรื่องมอสองมอหนึ่งลืมไปหมดเราเรียนจะเรื่องขยะเราไม่ได้ประเมินว่าเขาคิดเป็นพูดเป็นจริงๆทําเป็นหรือเปล่ากระทรวงศึกษาเราตั้งโจทย์ไม่ผิดนะถูกแล้วให้เด็กคิดเป็นพูดเป็นทาเป็นแต่ขบวนการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆมันทาให้เด็กไม่มีเวลาคิด ท่องจำจำถึงสุกไม่พอเสาที่ต้องไปท่องจําแข่งกันอีกเขาเป็นฝ่ายเรียนรู้เขาเป็นเด็กดีเขารับผิดชอบแต่เขาเครียดเพราะเขาต้องไปแย่งสอบไปเข้าโรงเรียนดีๆโรงเรียนดีๆทําไมไม่เปิดโรงเรียนดีๆให้มันเต็มหมดอย่าให้เด็กมันเครียดทําไมไปสอนให้เขาฝ่ายดีแล้วใช่หไหมหรอตอนนี้สังคมเราปากว่าตาขยิบเด็กเป็นเหยือ่อนะเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรรู้มันออกไปทางไหนไม่รู้เล ถึงเรื่องความพ้นทุกข์นะไม่รู้พูดเรื่องอะไรไม่รู้นะทีนี้เราจะพูดเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งไม่ได้เราต้องรู้ที่มาที่ไปของมันก่อนจิตพวอครูไม่ติดบ่วงนะไม่ใช่นักวิชาการพวกครูเคยเห็นหลายปีก่อนรายการอะไรโทรทัศน์น่ะตรงประเด็นตรงประเด็นนะพูดนอกประเด็นไม่ได้นักวิชาการถึงแก้ปัญหาไม่ได้ไงชวนเราตั้งโจทย์พูดเรื่องโต๊ะเนื่องจากเวลาซื้อเวลาโทรทัศน์เนี่ยมันแพงไง พูดเรื่องโต้อย่างเดียวนะห้ามพูดเรื่องอื่นนะมาถึงแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าเราพูดถึงเรื่องโต๊ะเราไม่พูดเรื่องพื้นที่โต๊ะมันตั้งได้ไหมถ้ามันตั้งอยู่ในดินน่ยมันต้องใช้วัสดุอะไรทําขามันถ้ามันตั้งอยู่กลางแดดมันต้องใช้วัสดุอะไรใช่ไหมต้องโตะมันสูงแค่ไหนเก้าอี้มันต้องสูงแค่ไหนไม่พูดถึงเก้าอี้ก็ไม่ได้เราถึงแก้ปัญหาไม่ได้ไงวิชาการมันแยกส่วนแยกนั่นน่ะแก้เรื่องนี้ก็ไปโผล่เรื่องนี้ชีวิตเราไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะ ตอนนี้เป็นยังไงรู้ไหมปริญญาตีแค่นี้โทรแค่นี้เอกแค่นี้มาฝนอย่างมีดเนี่ยมีดดาบยิ่งฝนยิ่งเปาะบางยิ่งแหลมยิ่งคับแคบอัตราตัวตนเยอะเลยแตะต้องไม่ได้เลยเธอก็เครียดกันก็เครียดแล้วคุณจะไปเรียนทาไมเรียนให้มันเครียดในแง่ชีวิตเราไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องโฮลิสติก ต้องบูรณาการชีวิตเราไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวก็พอนะร่างกายต้องแข็งแรงจิตใจต้องดีต้องมีความอบอุ่นต้องมีความสุขต้องมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยอันนี้มันเรียนวิชาเดียวหรืวิชาเดียวเราวเป็นทั้งเถียงกันจนวันนั้นแหละมันแก้ปัญหาไม่ได้ตรงประเด็นตรงประเด็นไอ้ตรงประเด็นดน่ไ ะ, นะไม่ตรงประเด็นเพราะคุณแก้ประเด็นไม่ได้คุณแก้ปัญหาไม่ได้ พูดเรื่องโจทเรื่องโต๊ะต้องบอกบอกว่าเออโต๊ะแบบนี้มันจะสวยบังอะไ ร, ะไรคุณไม่พูดเรื่องเก้าอี้ไม่ไดไไ้คุณไม่พูดเรื่องเก้าอี้ไม่ได้นะโต๊ะสูงเท่าไหร่ต้องเก้าอี้แค่ไหนมันถึงจะเหมาะกันใช่ไหมไอ้โต๊ะตอนนี้มันตั้งอยู่ดินทรายหรือมันตั้งอยู่ปูนซีเมนหรือมันตั้งอยู่บนไม้ถ้าไม่พูดพื้นก็ไม่ได้นะมันก็ใช้วัสดุมาผิดไงนี่แหละคือวิชาการทุกวันนี้ทาให้เราเครียด ไม่ใช่นังวิชาการเป็นคนไม่ดีนะด็อกเตอร์คนดีก็มีเยอะแต่คนชั่วก็มีมากมันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหน้าที่หรืออาชีพมันอยู่อยู่ที่อุปนิสัยเรานะก็กลับมาเรื่องที่ถามดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่จบอย่างว่าเนี่ยที่บอกว่าพ่ครูบอกมีทุกทุกแท้กับทุกเทียมนะไม่ใช่ทุกแท้ทุกเทียมนะ ทุกที่เป็นพื้นฐานของธรรมชาติเนี่ยเหมือนทาสานเนี่ยเราเกิดมาทาสานเนี่ยพวกครูเคยบอกว่าทาสานมันไม่ทุกข์เพราะหิวทุกข์เพราะง่วงนะเพราะอะไรดูไหมมันไปกินก่อนหิวมันไปนอนก่อนง่วงแต่ด็อกเตอร์นี่ทํางานอยู่ท้องมันร้องกรอกกรอกกรอกเธอหิวแล้วเธอหิวแล้วหยุดเถอะเฮ้ยหยุดไม่ได้งานไม่เสร็จเนี่ยมันจะไม่รวยเห็นไหม ทำถึงเที่ยงคืนมันหาวใหญ่เลยมันส่งสัญญาณเตือนภัยง่วงแล้วง่วงแล้วนอนเถอะถึงเวลาแล้เฮ้ยนอนไม่ได้งานไม่เสร็จมันจะไม่รวยเห็นไหมแล้วสุดท้ายงานเสร็จไปไงไปส่งงานไปได้เงินมาล้านหนึ่งมารักษาโรคเครียดโรคมะเร็งไงทีนี้พ่อคูเคยไปคุยกับเด็กคนหนึ่งนะบอกว่าพ่อกูอ้างทาสานเขาบอกอันนั้นมันทาสานมันไม่ใช่คนเนี่ยเขาทาสานไม่ใช่คนเนาะเขาเขาเ้าใจว่าคนต้องเป็นแบบนี้คนต้องโง่เหมือนฉันสิ คนจะฉลาดเท่ากับทาสานได้ยังไงเขาหรือว่าทาสานก็เป็นคนนะภาษามันไม่โง่มันไม่รอ ม, มันถึงเวลามันก็ไปกินถึงเวลามันก็นอนไงเพราะมันไม่มีความอยากเห็นไหมเราเรียนไปเรียนมาเรียนไปเรียนมาทําไมเราโง่กว่าทาสานเทลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองที่เน้นบ่ๆคนที่เป็นด็อกเตอร์ไม่ต้องโกรธพ่อครูนะพ่อครูไม่ได้พูดถึงว่าคนเป็นด็อกเตอร์โง่หรือว่าฉลาดหรือว่าดีหรือชั่วพ่อคูพูดถึงความเป็นด็อกเตอร์ ความเป็นด็อกเตอร์นะเ้าสอนให้คุณเป็นอย่างนั้นด็อกเตอร์สองคนรับปริญญาบัตรปัญญาเอกในวันเดียวกันคณะเดียวกันออกมาแปลไทยเป็นไทยไม่เหมือนกันทะเลาะบแวแดงกันต้องไปขึ้นศาลให้เขามาตัดสินถูกผิดคนสองคนนี้เรียกว่าคนมีความรู้เรื่องวิชาที่เรียนแต่ไม่มีปัญญาแม้กระทั่งจะคุยกันทําไม่รู้เรื่องที่ไม่มีปัญญาเพราะว่าขาดสติ ที่ไม่มีสติคืคอไม่มีสมาธิที่ไม่มีสมาธิคือไม่มีศีลที่ไม่มีศีลคือถูกครอบงำโดยโลภโกรธหลงหลงความรู้ของตัวเองตัวเองเครียดก็ไม่พอทำให้คนอื่นเครียดด้วยอย่างนี้ต้องพิจารณาใหม่ไหมเราต้องเสียชีวิตไปเรียนหรือเปล่าถ้าเรียนมันต้องรู้สิสมัยเด็กๆ เ, เล่นกันอยู่เล่นกันอยู่ทะลาะ ก, กันคุณพ่อคุณแม่บอกลูกหยุดนะหยุด เนื่องจากเขารักพ่อแม่เขาหยุดเลยเขาไม่ต้องไปพูดอะไรนะ่ยเนื่องจากเขากลัวพ่อแม่จะเสียใจแต่ตอนนี้เรียนชั้นสูงพ่อแม่บอกหยุดเธอลูกหยุดได้ยังไงมันผิดงไงมันว่าฉันก่อนพูดไปคำหนึ่งเถียงไปสิบคาพ่อแม่เต่าล้านปีอยพูดนะเข้าอินเทอร์เน็ตก็ไม่เป็นพ่อครูทุกวันนี้กดโทรศัพท์ก็ไม่เป็นเลยนะไม่รู้เรื่องอะไรอย่างมาพูดนะเขาไปหลงว่าเขารู้นะความรู้ที่เขารู้นะ่นเป็นความ จำที่ไปจำความรู้คนอื่นทั้งนั้นน่ะอินเทอร์เนต็ตคือกับดักทางความคิดจําไว้เพราะกูสร้างคอมพิวเตอร์ด้วยมือกูแต่ตอนนี้พกูไม่ต้องใช้แต่ไม่ได้บังคับให้ทุกคนใชย้ยุคนี้ไม่ใช้ไม่ได้แต่ต้องใช้ให้มันได้นะอย่าใช้ให้มันเสียถ้าใช้แล้วเป็นทาตมันน่ะมันเสียเวลาชีวิตเสียเงินเสียทองรุ่นใหม่ดีใจสองวันมันออกรุ่นใหม่อีกแล้วเด็กทุกวันนี้เรียนวิชาหาเงินยังไม่จบเลยนะ วิชาใช้เงินเป็นด็อกเตอร์กันหมดแล้วไม่ไม่ต้องสอนเลยไอ้วิชาชั่วๆไล่ๆไม่ต้องสอนเลยเห็นไหมมันไหลลงที่ต่ำเก่งมากไม่ใช่ทุกแท้ทุกเทียมนะมันเป็นทุกพื้นฐานที่เกิดมาทาสานก็มีอย่างนี้นะทุกพื้นฐานเขาต้องมารับกรรมคือทุกพ่แก่เจ็บตายนะคำว่าทุกในที่นี้มันเป็นกฎพระไตรลักษณ์มันดำรงอยู่ได้ยาก มันต้องเปลี่ยนมันต้องเชนแต่ที่เราทุกที่มันเกิดมามันร้องไห้่ะมันจำได้หมายรู้ว่าจากนี้ไปมันทุกแล้วนะอันนี้ทุกจากจิตวิญญาณซึ่งมันมีความรู้สึกมันกลัวแล้วเราไปสร้างอัปตาตัวตนว่าตัวกูของกูเราไม่อยากให้มันแก่เห็นเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากเนี่ยคือวิภวตนา พอมันแก่แล้วเนี่ยเราทุกข์มากเลยกลัวเขาว่าเราจะไม่สวยกลัวบางทีเขาไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เราว่าเองแล้วก็ทุกข์อีกเพราะเราแก่เห็นไหมเพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายจริงๆแล้วเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ทุกข์มันเป็นธรรมดาถ้าเราเข้าใจมันเราจะไปทุกข์กับมันทําไมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นทุกข์เพราะว่าเรามีความรู้ผิด เพราะเราขยงมากกับการเกิดเห็นเพราะเรารู้ผิดนะก็ก็แก่นิดหนึ่งว่าไม่อย่าไปใช้ว่าทุกเทียมกับทุกแท้เดี๋ยวคนเขาจะแย้งเรานะเอาเป็นว่าแต่เข้าใจในัยยะเข้าใจที่ถามมานะก็คือเกิดมาก็ร้องไห้แล้วก็ทุกเบสิกทุกพื้นฐานคือเกิดแก่เจ็บตาย แล้วก็ถูกปรุงแต่งเข้าไปความรู้ผิดตัววิชาเนี่ยก็ทําให้เราเกิดตัณหาเกิดความอยากนะมันกลายเป็นกิเลสเรากิเลสทําให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้อุปทานอุปทานทําให้เกิดทุกข์เพราะว่าตัณหาทําให้เราไปสร้างกรรมพอหล่นได้มาแย่งเข้ามาปุ๊บเราก็รู้สึกเรามีอุปทานมีความดีใจพอเราแย่งถูกแย่งไปคืนเนี่ยเราก็เลยเสียใจนะเราต้องรับกรรมเนี่ยนะตัณหาคือที่มาของทุกข์ จึงขอาการเรียนถามว่าความพ้นทุกที่ที่จะเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการพ้นจากทุกเทียมทางใจเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะทุกทางกายทุกแท้นั้นเราคงพ้นจากมันไม่ได้นะมันเป็นไตลักณแต่ไม่ใช่พ้นไม่ได้นะมีคําถามต่อไปก็คือว่าหรือว่าเราสามารถพ้นทุกได้ทั้งทุกแท้และทุกเทียมคะเป็นไปได้อย่างไรคะเป็นไปได้ผู้เจ้าทําให้เราเห็นแล้วนะ มันมีอย่างเดียวถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายจําแม่นๆอย่ากเกิดอีกถ้าไม่ต้องเกิดอีกมันก็ไม่มีทุกแท้ไม่มีทุกเทียมอีกต่อไปทําได้ครับทําได้แน่ๆมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของศาสนาใดศาสานาหนึ่งแต่บังเอิญเจ้าชายสยจธานี่ไปตัดสรุออกมาแล้วก็เอานี้เป็นจุดเน้นซึ่งศาสนาอื่นเขาไม่เน้นแต่ศาสดาหลายศาสดาเนี่ย ท่านก็เข้าถึงตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ท่านไม่เน้นเพราะเป็นจริตไม่เหมือนกันท่านก็เน้นอยู่กันตามอัตภาพนะเหมือนครูสอนอนุบาลสอนประถมสอนมัธยมนั่นละเาก็ต้องถ้าสอนประถมนี่ไปใช้ภาษาด็อกเตอร์มันก็ไม่ได้ไงแต่พูดเราเน้นเรื่องนี้มันเป็นความจริงนะก็คือเน้นเรื่องมีทางเดียวที่เราจะต้องไม่ทุกข์ทั้งสองอย่างเนี่ยทุกข์กายทุกข์จจริงๆไอ้ร่างกายมันไม่รู้สึกนะ ที่เราตีมันเนี่ยอย่างคนตายใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่มันไม่รู้สึกเลยมันคิดก็ไม่เป็นพูดก็ไม่เป็นมันไม่รู้สึกตีมันก็ไม่รู้เรื่องไงไหมแต่เขาเรียกว่าทุกกายเนี่ยแปลว่าทุกเนื่องจากมันเกิดจากกายมันไม่ปกติแล้วร่างกายไปยึดมั่นถือมั่นไล่ร่างกายไปเกิดเวทนากับมันมันอยู่ที่จิตนั่นแหละทุกอย่างจบอยู่ที่จิตนะก็ทาได้เราพ้นทุกข์ทั้งสองอย่างนี้ได้แน่นอน นะถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายจาแม่นๆอย่ากเกิดอีกทีนี้ไม่ใช่ว่าคิดเอาเอางฉันไม่เกิดอีกฉันไม่เกิดอีกเหรออันนั้นค้ากำไรเกินควรธรรมชาติบอกว่าอย่ามักง่ายเธอยังไม่จ่ายหนี้ฉันหมดเลยนะเรื่องที่สองนะเรื่องวิธีการที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์หากความพ้นทุกข์จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อจิตดวงนั้นมีปัญญาเต็มเปี่ยมดังนั้นจึงขอากาบเรียนถามว่าการปฏิบัติธรรมพิจกรอให้เกิดปัญญาที่เต็มเปี่ยมนั้นจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรคะอันนี้ถามแบบนักวิทยาศาสตร์ถ้าตอบปุ๊บบันทึกเลยแล้วไปสอนทุกคนต้องทำแบบนี้นะเอาว่าคำตอบว่าไม่มีขั้นตอนและวิธีการตายตัวต้องแก้ัวนี้ก่อน นะแล้วทำยังไงล่ะแล้วทำยังไงล่ะนะมีคุณลุงคนหนึ่งเป็นมีข้าราชการเกษียณแล้วก็มีหน้าที่ไปเผยแร่ธรรมเนะี่ยมาคุยกับ พ, พ่อกูต้องพูดได้สิต้องพูดได้สิบางทีพูดแล้วมันไม่ได้มันเสียด้วยนะพูดให้เข้าใจกันผิดนะบางทีก็บางอย่างมันพูดด้วยภาษาไม่ได้ พระพุทธเจ้าใช้ภาษามาบอกเราว่าจะเป็นภาษาบาลีสัญกิจหรืออินเดียโบราณหรือแปลเป็นไทยก็ช่างมาบอกเราว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตะถาคตต้องทำตัวเป็นหนักวิทิาศาสตร์ทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองอย่าไปหาคำตอบแบบตักกะแบบเป็นองค์ความรู้ตายตัวนะอย่างนั้นตายแน่ นะก็เอาเป็นว่าไม่มีขั้นตอนและวิธีการตายตัวนะแต่ว่ายึดหลักทางสายกลางทางสายกลางคืออะไรคือจิตต้องเป็นอิสระไม่สุดโตรงระหว่างสองส่วนระหว่างของคู่ระหว่างถูกผิดดีชั่วขาวดำนะต้องทีนี้ทำใจเป็นกลางคิดเอาได้ไหมเธอเป็นกลางนะเธอเป็นกลางนะเธออย่าเข้าข้างมันนะ คิดได้พูดได้แต่มันทำไม่ได้ต้องมีการกระทำเกิดขึ้นโดยการฝืนกิเลสเราไอ้ที่เราไปติดพระพุทธเจ้า พ, พูดคำหนึ่งนะพระ อ, องค์ตัดไว้คำหนึ่งว่าบัมพชิตไม่เสพบส่วนสุดโตมงสองส่วนระหว่างของคู่ระหว่างถูกผิดดีชั่วขาวดำระหว่างข้างนอกกับข้างในในตัวเราข้างนอกมีตาหูจมูกลิ้นกายข้างในคือใจ ไอสนาภายในหกอย่างนี้มันแยกเป็นสองส่วนข้างนอกห้านี่เป็นตัวรับผัสสารับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตัวใจนี่เป็นตัวรับอารมณ์อะไรกระทบปุ๊บมันจึงดึงมารู้ที่ใจเราได้ยินเสียงที่หูปุ๊บวิญญาณหูรับรู้เสียงปุ๊บมันดึงมารู้ที่ใจนะมันคือกระบวนการทํางานของวิญญาณหกนะพระเจ้าถึงเตือนว่าอย่าไปสุดตรง ระหว่างข้างนอกกับข้างในแต่ตอนนี้จิตเรามันอยู่ที่ไหนมันไปนติดอยู่ที่ใจจิตใจเห็นไมเราเข้าใจว่าจิตกับใจเหมือนอันเดียวกันมันคนละเรื่องนะใจก็ใจจิตก็จิตแล้วใจคืออะไรใจคือก้อนเนื้อก้อนหนึ่งมีหน้าที่ปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นโกดังเก็บอารมณ์มันขัดมันมันเต้นได้ด้วยพลังจิตคือมโนวิญญาณมโนวิญญาณทำให้มันเต้นได้ แต่จิตก็เกาะ อ, อยู่ตรงนั้นจิตกับวิ ญ, ญญาณก็อีกคนละเรื่องนะเราเรียกจิตวิญญาณเหมือนเราเรียกจิตใจนั่นแหละเราเลยเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันทีนี้พิสูจน์ได้อย่างไรละ่ะนี่แหละมีอย่างเดียวปฏิบตัติเข้าไปเห็นมันถ้าใครถอดกายทิพย์ได้เราจะรู้แล้วว่าเราคือใครเพราะครูเป็นบรรยายท่านี้มีผู้รู้มาจากอังกฤษคนหนึ่งเขาบอกว่าจิตมันจะออกจากใจได้ยังไงมันก็ขาดใจตาย แสดงว่าเขาไม่เคยเข้าไปในจิตเลยเพอจิตมันออกมาที่เราถอดกายชิปออกมาเนี่ยมโนวิญญาณมันยังทําหน้าที่อยู่เหมือนอย่างนี้นะคําว่าหูเนี่ยพ่อครูเอเคยถามคุณหมอคนหนึ่งที่เขาสเปเชียลไลส์เรื่องหูเนี่ยคุณหมอมนุษย์เราเนี่ยใช้อวัยวะตรงไหนได้ยินแกตอบเลยหูพ่อครูบอกไม่ใช่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ได้ยังไงมันก็ใช่ครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าคําว่าหูเราเป็นข้อเรื่องกายภาพเรื่องใบหูประสาทหูติ่งหูเนี่ยนะแล้วคนตายใหม่ๆทำไมมันไม่ได้ยินล่ะหูมันก็ยังอยู่ไงหรือคุณหมอนอนหลับสนิทเลยวันหนึ่งเนี่ยบางครั้งลูกร้องไห้ทําไมคุณหมอไม่ได้ยินไม่ทําลายประสาทหูไม่ทํำลายอะไรทิ้งเลยทําไมไม่ได้ยินละ่ะวิญญาณหูมันดับวิญญาณนี้วิญญาณนี้มันมันเกิดมันดับมันเป็นวิญญาณในขัน มันเป็นวิญญาณขันนะแต่จิตไม่เกิดไม่ดับขอให้เราแยกจิตแยกกายได้และแนวเราเนี่ยเราจะแยกได้เร็วมากนะจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธนะจิตเห็นจิตไม่ใช่ไปนั่งดูมันไม่ใช่ไปนั่งดูอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแบบนั้นต้องเข้าไปในจิตในจิต มันถึงจะเสพทำในธรรมธรรมลมที่บันทึกเป็นในรูปของกรรมดีกรรมชั่วนะฝ่ายบวกฝ่ายลบบุญบาปอยู่ในนั้นนะก็ให้ให้ให้เข้าใจตรงนี้และปัญญาที่เต็มเปี่ยมดังกล่าวนั้นจะเป็นปัญญาที่เข้าใจเรื่องไตรลักษณ์และอริยสัจสี่อย่างทองแท้ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เข้าใจ ถ้าเราเข้าใจเราจะเราจะเราจะเข้าใจไวยะมันคาดเครื่องเข้าใจแบบทางโลกเข้าใจแบบตะกาเราต้องเข้าถึงเราต้องเข้าถึงกฎพระไตรลักษณ์เราต้องเข้าถึงอริยสัจสี่เข้าถึงอารมณ์นั้นนะถึงว่าภาษาเห็นไหมเพราะครูเข้าใจเข้าใจเห็นไหมคําว่าเข้าใจเราเนี่ยแต่มันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตมันไม่รู้นะ เอาเป็นว่าเมื่อเราเข้าถึงปัญญาเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงกฎพระไตรลักษณ์เพราะจิตเรามันก็เป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วจิตเรามันก็เป็นอริยสัจสี่อยู่แล้วยกตัวอย่างจิตที่เขาถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยพอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่หลงประเด็นนะเราไม่หลงที่ปลายเหตุมันจะมองที่มาของมันเลยนี่คืออริยสัจสี่จิตซึ่งที่มันกลับไปคืนสู่สภาวะเดิมนะ่ะมันเป็นอริยสัจสี่ด้วยตัวมันเอง มันรู้เหตุที่มาที่ไปของมันแต่ทุกวันนี้เราไปเจาะเราไปแก้ที่ปลายเหตุตลอดเวลาเพราะเรายังไม่เข้าถึงอริยสัจสี่เรายังไม่เข้าถึงลักษณะสามประการของธรรมชาติที่เราเข้าไปเห็นเราเห็นมันเกิดดับอารมณ์ดีมันก็เกิดมันก็ดับเฮ้ยไม่อยากให้มันหนีไปเลยมันหนีไปแล้วอารมณ์ร้ายร้ององ่ายร้องไ่าเกือบตายสักพักนึงมันก็หายไปแล้ว นี่ลหละเราไปสัมผัสมันบ่อยๆแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยมันไม่เที่ยงมันเกิดดับพอทําไปถึงจุดหนึ่งนี่จิตปัจจุบันเนี่ยมันยอมรับด้ดุสเดีว่าเออมันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นทุกขังเป็นอนัตตามันก็จางคลายความยึดมั่นถือมั่นกับกายภาพนี้แล้วถ้ามันปัญญาสูงสุดมันรู้ว่าต้นเหตุของมันเนี่ยไม่ใช่กิเลสตัณหาอุปทานด้วยนะนะ อันนี้ยังเป็นเรื่องของของปัจจุบันชาติมันรู้ว่าเราสะสมตัวอัตราตัวตนตัวกระแสกรรมมันมาตั้งนานแล้วเนี่ยและอกิเลสตัณหาประธานก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาสร้างอัตราให้เราตรงนี้นะทาให้เรามีตัวตวนมีอีกโก้นะแต่ต้องไม่ได้นะเมื่อจิตมันรู้แล้วมันก็ระเบิดตัวนี้ทิ้งที่บอกว่าหมุนติ้วติ้วระเบิดเลยเระเบิดเลยนะนะั่นแ่ะหลวงปู่มั่นก็หมุนติ้วติ้วระเบิดเลยหลวงพ่อชาก็ระเบิดสามครั้ง อาจารย์มหาบัวก่อนที่ท่านจากไปสองเดือนเองนะเนื่อกจากท่านเป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยท่านไม่กลัวอะไรแล้วท่านพูดความจริงให้ฟังทําไมตลอดชีวิตท่านเดินทุดงไม่ให้ใครตามไปด้วยเราจะไปรู้ว่าท่านปฏิบัติแบบไหนท่านเผย อ, ออกมาแล้วเนี่ยท่านอยู่ในกุฏิวันนั้นอ่ะหมุนติ้วติ้วกระจุยกระจายหมดเลยถ้าจิตมันไม่หมุนมันมมีพลังปลดปล่อยตัวเองฝึกวิธีไหนก็ช่างมันเป็นการบ่มเพาะพลังเมื่อพลังเต็มเปี่ยมแล้วจิตมันต้องหมุน แรงเหวี่ยงทําลายสนามแม่เหล็กอย่างไฮดริกอัเตอร์เราสตาร์ทใหม่ๆเนี่เห็นไหมมันห่อไม่ได้นะเพราะแรงเหวี่ยงมันไม่พอเราต้องเร่งสปีดมันเห็นไหมพเพราะเร่งสปีดมันมันยกก้อนเหล็กก้อนนี้เป็นพันกิโลห่อขึ้นไปได้ด้วยชั้นใดชั้นนั้นจิตเมื่อมันเกิดแรงเหวี่ยงนี่คืออาณาปานาสติคือลมปานแต่ถ้าอยู่แค่ลมปานเป็นแค่เจริญอนุสติเราก็ได้แค่สติต้องเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมจักรให้มันเร็วขึ้น เมื่อวินาทีนั้นน่ยพลังจิตมันเร็วกว่าแรงดึงดูดของอวัตวะตาหูจมูกลิ้นกายใจและอารมณ์อยากที่ใจเนี่ยมันจะเข้าไปสู่จิตในจิตขอครั้งเดียวเมื่อมันเข้าไปแล้วต่อไปเราเปิดประตูบ้านเราจะเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้เข้าไปขัดเกา่าขัดเกา่าขัดเกา่เกาไม่ใช่ไปอยู่แค่สติอันนั้นตายก่อนต้องพูดแรงๆยุคนี้ไม่งั้นมันไม่ตื่นว่าจะไปติดรูปแบบอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะคูเสียดายครูชาเกิดมาเป็นคนไทย เกิดมาเจอคําสอนที่ยิ่งใหญ่แต่ไปเรียนแบบตักกัก็เลยไปแยกส่วนเรียนทีละอย่างทีละขั้นทีละขั้นถ้าความคิดแบบนี้ถูกต้องพวกคุยเคยถูกว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นห่วงท่านก็แรกเปลี่ยนบอกว่าเพราะครูก้าวกระโดดอย่างนี้เนี่ยขึ้นบันไดตกลงมานะขาหักนะเพราะครูบอกถูกแล้วต้องไปทีละขั้นแต่ไม่ใช่เรื่องชาติเดียวต้องถามว่า คุณปฏิบัติมากี่ชาติแล้วไม่ใช่ปฏิบัติมาได้ชาญเท่าไหร่ถ้าคิดแบบนี้ตายก่อนถ้าความคิดแบบนี้ถูกต้องว่าต้องมาใหม่ใช่ไหมไปไปเรียนเอบีซีกไก่ขอไขถ้าความคิดแบบนี้ถูกต้องนางวิสาขาบรรลุโสดาบันนั้นแต่เจ็ดขวบไม่ได้เน้นบัณฑิตเจ็ดขวบบวชแค่แปวันบรรลุอลหรหันต์ไม่ได้ทําไมเมื่อเรียนทีละขัน้นทาหิยะเป็นพ่อค้าไม่รู้เรื่องศาสนาเลยบังเอิญบุญเก่าให้มาเจอพทธเจ้ากําลังจะบ้าตายแล้วเรือล่ม หมดเนื้อประดาตัวเห็นไหมไปนิมนต์ผู้เจ้าเทศเซาซีอยู่นั้นสามครั้งผู้เจ้าบอกไปวดัดไปวดัดบอกเหมือนเขารู้ตัวนั่นแหละผู้เจ้าก็เลยเมตตาสัตว์แต่ว่ารู้สัตว์แต่ว่าเห็นสัตว์แต่ว่าได้ยินสัตว์แต่ว่าลิ้มรสสัตว์แต่ว่าผัสสะไม่พิจารณาไม่ตัดสินเนื่องจากบุญภัยยะเยอะถ้าไม่เยอะไม่ได้เจอผูธเจ้าอยู่แล้วแค่นี้ก็สว่างใช่แล้ว ชีวิตเราทุกเพราะเรามาคิดทุกเรื่องเราไม่สักแต่ว่าได้ยินปุ๊บก็เอามาคิดเห็นปุ๊บก็เอามาคิดเพราะความอยากของเราบรรลุเป็นอราหันต์ทำไมไม่มาเรียนทีละขั้นไปคิดแบบตักกะแบบทางโลกเอาทางโลกจนจบสูงสุดแล้วเป็นด็อกเตอร์แล้วทำไมยังทะเลาะ ก, กันอยู่ก็เห็นเห็นอยู่แล้วแต่ว่าไม่เห็นเพราะไปยึดมั่นถือมั่นไปมีอัตตาตัวตนไปหลงในความรู้ตัวนั้น ความรู้เป็นกลางกลางวิชาการเป็นกลางกลางไม่ใช่เรื่องดีเรื่องชั่วแต่ถ้าเป็นหลงมันเมื่อไหร่เนี่ยเป็นความชั่วล้าอย่างยิ่ง โ, โ, โลภโกรธหลงคือที่มาของทุกข์ไงก็รู้อยู่แล้วไงเราไปหลงมันแล้วมัน ม, มันดีร <Yeah. S 1> หรือเปล่าล่ะไม่ดีนะก็พ่อครูแก้คำถามเฉยๆนะที่บอกว่าและปัญญาที่เต็มเปี่ยมดังกล่าวนั้นจะเป็นปัญญาที่เข้าใจเรื่องใตรักและอริยสัจสี่อย่างทองแท้ใช่ไหมครับ เราพูดภาษาโลกคำว่าเข้าใจนะเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดนะมันเข้าใจแต่มันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้เราต้องปฏิบัติให้จิตมันเข้าถึงกดพระไตรลักษณ์เข้าถึงอริยสัจสีแล้วเวลาที่เหลือมันจะเป็นอริยสัจสีมันมองอะไรมันไม่ไม่เป็นหลงที่ปลายเหตุมันไม่หลงประเด็นมันจะเห็นที่มาของมันเลยมันจะเห็นว่าเป็นพ่ะกรรมอะไรที่ทาให้มันเกิดอย่างนี้ นะทางสายกลางนะเพื่อทำทางเราฝึกเราปฏิบัติยึดทางสายกลางเนี่ยเพื่อทําให้จิตเป็นกลางจิตเป็นกลางคืออิสระจากของคู่ไม่สุดโต่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นแหละคือกลางกลางไม่ได้ปฏิเสธดีปฏิเสธชั่วเรารู้ดีรู้ชั่วแต่เราไม่ไปหลงมันคนติดดีเป็นยังไงรู้ไหมคนติดดีก็กลัวว่าเขาว่าเราจะไม่ดีเขาว่าเราไม่ดี คนติดดีก็ไปว่าคนอื่นไม่ดีเป็นความชั่วลายอย่างยิ่งคนดีจริงๆเขาไม่ว่าคนอื่นเขามีแต่เมตตาชี้ทางทำให้ปลดปล่อยไม่มีเจตนาที่จะไปทำร้ายเขาเราจะรู้ได้ไหมคะว่าคนไหนที่บรรลุธรรมแล้วจริงๆเราจะสังเกตจากอะไรคะหมายถึงตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะคะเพราะหากเสียชีวิตแล้วเมื่อเผา กระดูกย่อมกลายเป็นพระธาตุให้เห็นเป็นข้อพิสูจน์หากกล่าวว่าปัจจัตตังเวทีตะโพวินยูหีสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนอย่างนั้นคนที่บรรลุธรรมก็รู้ได้เฉพาะตนหรือคะใช่ครับหมายถึงถ้าเขาไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาบรรลุธรรมแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ครับถ้าคนที่เขาบรรลุแล้วเขามองออกครับ จิตชึ่งถ้าในทางโลกว่าต้องเหนือกว่าเขาจะมองออกนะหรือในทางตรงกันข้ามหากมีใครพูดว่าเขามันรู้ทำแล้วและเนื่องจากเป็นเรื่องปัจจิตังเราก็คงพิสูจน์อะไรไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถูกต้องแล้วมันพิสูจน์ด้วยเหตุผลแบบได้เอาเอาเครื่องเอ็กซเลย์มาถ่ายก็ถ่ายไม่ออกนะ ดิฉันคิดว่าการที่คนที่ยังไม่บรรลุธรรมแต่บอกว่าตนเองบรรลุธรรมแล้วและสอนธรรมะผิดๆกระจายออกไปเหตุการณ์เช่นนี้นับเป็นจุดบอดของพุทธศาสนาค่ะขอทราบมุมมองของพ่อครูในเรื่องนี้ด้วยค่ะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าเราไปขโมยนาฬิกาเขาเนี่ยคนๆ น, นี้เขาเสียอะไรเขาเสียนาฬิกาแล้วก็เสียใจจับเราไปขังคุกนี่พอไหมคนละเรื่อง สักวันหนึ่งเราต้องโดนแบบนั้นต้องรับกรรมเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราไปชี้ทางให้เขาเดินทางผิดคนคนนี้เขาเสียอะไรเขาเสียชาติเกิดนรกอย่าแค่รู้เฉยๆพวกครูเคยพูดไม่ใช่พูดเล่นๆพูดจริงๆแค่จบด็อกเตอร์ทางพุทธศาสนาเนี่ยไปเผยแผ่ทำไม่ได้ทำมันจะโละเลือน คุณไม่เห็นธรรมคุณเผยแผ่ธรรมได้ยังไงแต่คุณไปสอนวิชาพุทธศาสนาได้ตอนนี้มันเลือนเลือนไปหมดแล้วครับไม่เห็นธรรมก็ไปแสดงธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจึงเห็นสถาโคตเห็นธรรมไม่ใช่ไปเห็นตัวหนังสือไม่ใช่ไปท่องจำไปเห็นความจริงตามธรรมชาตินะ ที่นี้เราทำยังไงอ่ะเรามีความรู้ผิดแล้วเรามีกิเลสแล้วทำยังไงอันดับแรกต้องทำใจไม่ต้องโทษตัวเองแล้วก็เชื่อพุทธเจ้าทำดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสนะก็เหลืออีกเรื่องหนึ่งมั้งฮะเรื่องหนึ่งนะโอเคคำถามปัญญาสูงสุดที่ได้จากการมารลุธรรมคืออะไรถ้าเอาตามหลัก พุทธศาสนานะเพื่อให้ไม่ไม่ให้หดุจกรนะเราวัดกันที่ตรงไหนรู้ไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่เราไปวัดเขานะไอ้เจ้าตัวเองเนี่ยวัดของวัดตัวเองนะเครื่องมือวัดก็คือวิสุทธิเจดวิสุทธิเจความบริสุทธิเจ็ประการนะเริ่มต้นจากศีลวิสุทธ์เรามีศีลที่บริสุทธิ์ไหม ไม่ใช่สินห้าสินแปดสินสิบถิมปฏิโมกนี้นะอันนี้เป็นแค่วินัยนี่เป็นแค่วินัยเกิดขึ้นจากทีหลังหลังจากอยู่ขัดแย้งกันก็ตั้งกติกาขึ้นมาเพื่อเป็นป้องกันให้ขัดแย้งกันเป็นศินในการอยู่ร่วมศินบริสุทธิ์ศินซึ่งเป็นความปกติของจิตนั้นอย่างทาสานเราเนี่ยเขามีศินห้าอยู่แล้วนะไม่ต้องถือศินห้าเขาไม่กินเหล้าหรอก เขาไม่โกหกหรอกเพราะไม่มีความอยากนะเขามีศีลห้าอยู่แล้วแต่ศีลห้านี้เนี่ยยังไม่ใช่เป็นศีลที่วิสุทธิศีลที่วิสุทธิจริงๆมันต้องเป็นศีลของพระอริยนะเราต้องไม่มีแม้แต่นิดหนึ่งถึงความอยากหรืออะไรเลยนะเราต้องดูว่าเออเรามีศีลตรงนี้ไหมนะข้อแรกนะข้อที่สองจิตวิสุทธิความบริสุทธิ์ของจิตเนี่ย เราต้องดูว่ามันยังมีอารมณ์อะไรหรือเปล่าใช่เราเอาประหลอดวัดของเรานะนะแล้วอันที่สามทิฏฐิทิฏฐิวิสุทธ์เนี่ยเรายังมีทิฏฐิมานะที่มันยังมีอามิ t h อยู่หรือเปล่าอันนี้เรารู้เองหรอกเราหลอกตัวเองไม่ได้นะถ้าเรานิ่งๆเราก็ดูมันนะข้อที่สี่นี่กังขาวิตละนะวิสุทธ์เรายังมีข้อกังขาอะไรไหม ยังมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่าถ้าเราไม่มีตรงนี้แล้วเนี่ยม่มีข้อสงสัยะไรเลยเรายังสงสัยว่าผู้ที่เจ้ามีจริงไหมนิพพานมีจริงหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยเราต้องดูว่าถ้ายังมีข้อกังขาข้อสงสัยอยู่ไอ้ข้อนี้เรายังไม่ยังไม่บริสุทธิ์นะข้อห้ามขามัขยานทัศนวิสุทธ การอยู่ในมรรคในทางเนี่ยเราบริสุทธิ์ไหมบางครั้งยังหลุดโผลหรือเปล่ายังแวบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่หรือเปล่านะถ้ามันเป็นมรรคโดยธรรมชาติยกตัวอย่างนะมรรคเนี่ยมีสองระดับนะระดับแรกที่พอกว่ามรรคทางเดินกําลังเดินทางเหมือนพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะในขณะที่ท่านบงมัน่นบันเพลีย น, ยนลองถูกลองผิดอยู่หกพรรษานะท่านก็อยู่ในมรรคในทางเป็นความทีอท่านเจอวิธีที่ ที่ไม่ไม่ถูกต้องแต่กรอบของการดำเนิชีวิตยตังอยู่ในมรรคในทางไม่หลุดจากนั้นนะพอท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ต้องเจริญมรรคอีกแล้วไม่ต้องเดินทางอีกแล้วแต่เวลาที่เหลือเนี่ยมันเป็นมรรคหมดอันนี้ไม่ต้องเจริญอันนี้มันเป็นมรรคโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยคือมรรคามัรคขยานทัศนวิสุทธิมรรคมันบริสุทธิ์ทางเดิน ม, มันบริสุทธิ์นะ แล้วก็ข้อที่6คือปฏิปาาทาญาณทัศนวิสุทธิ์ปฏิปทาคือพฤติกรรมการดำลงชีวิตเห็นไหมเราทิ้งทางโลกมาเรามาทางนี้เรารู้สึกเรานิ่งสงบแต่บางครั้งมันยังมีมันมันรั่วไหมเห็นไหมเรายังเผลอยังมีความอย า, อยากอยู่หรือเปล่าเห็นไหมยังมีอารมณ์อะไรแทรกอยู่หรือเปล่าเห็นไหมพฤติกรรมเราเนี่ยปฏิปทาเราเนี่ยมันวิสุทธิหรื อ, อยังเราต้องดูดูตัวเองเนาะ ส่วนอันสุดท้ายที่ถามว่าปัญญาสูงสุดที่ได้จากการบรรลุธรรมคืออะไรคือญาพณพัศนะวิสุทธ์มันบริสุทธิ์จนคล้ายๆคนไม่มีญาณมีก็เหมือนไม่มีเราเห็นคนนี้เดินมาพรุ่งนี้มันตายแน่ๆเลยอยู่เฉยๆไม่ไม่ตื่นเต้นไม่เอกใซไม่บอกเขาด้วยถ้ายังอยากบอกเขาอยากอะไรอยู่เดี่ยมันยังไม่วิสุทธ์ เมื่อตัวเราไม่มีแล้วใครจะเป็นคนมียานไอ้ตัวนี้คำตอบก็คือว่าปัญญาสูงสุดที่ได้จากการบรรลุธรรมนะอย่าไปมองคนอื่นมันเป็นตัวมาดวัดตัวเองส่วนจิตที่เขาพ้ามพ้นตนนั้นแล้วเขาไม่ติดบ่วงแล้วเนี่ยเขาพองมองออกอยู่ว่าใครอยู่ในหลักใดแต่มองออกก็เหมือนมองไม่ออกเพราะว่าไม่ให้นัยยะอะไรเลยนะ ถ้าเรายังมีความเปรียบเทียบอยู่ว่าเราดีกว่าเขาหรือเราเท่าขเขาหรือเราด้อยกว่าเขามันเป็นทิฏฐิมานะมันยังไม่อยู่ที่สุดนะอันนี้คือเครื่องมือเป็นประหลอดวัดสภาวะธรรมของเราเองส่วนครูบาอาจารย์บางทีเขาสอบอารมณ์อะไรเราบ้างเนี่ยเพื่อจะแก้ปัญหาให้เราเนี่ยแนวนี้ดีที่สุดคือไปสอบอารมณ์กับอาจารย์เราอยู่ข้างในเผอพกเตีหัวเราเลยนะ อาจารย์เราจริงๆอยู่ข้างในครูบาอาจารย์ของทุกคนต้องไม่เหมือนกันนะผู้เจ้าทุกบอกอยาพึ่งเชื่อครูบาอาจารย์ข้างนอกอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งปฏิเสธฟังหูไว้หูแล้วก็ปฏิบัติเมื่อเราเข้าถึงแล้วเมื่ออาจารย์เราข้างในตื่นแล้วเนี่ยนั่นแหละอาจารย์จริงๆของเราเขาฝึกมาหลายชาติแล้วเขาจะเอาจริตเขาเนี่ยที่เขาเด่นที่สุดเนี่ยมาถ่ายทอดให้จิตปัจจุบันจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว เรียนรู้กับอาจารย์เราไม่ต้องไปเรียนแบบกันนะศูนย์นี้พะกูสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยใช้เวลา26ปีถ้าเราไม่ทำความดีกับคนแถวนี้เนี่ยมันจะปลอดภัยไม่ได้สร้างกำแพงหลายๆชั้นก็เอาไม่อยู่แล้วก็สร้างที่พักที่อยู่ตามอัตภาพนะมีที่กินมีที่ปฏิบัติ สร้างอารมณ์เช้าสายบ่ายเย็นให้สร้างระบบไว้ให้ส่วนวิธีการหรือจริตทุกคนอิสระแต่อยู่ในกรอบที่เราไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออมาที่นี่ยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะแต่ไม่ต้องไปทำํำสมมติว่าที่นี่ขายกว๋วยเตี๋ยวเราไม่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเราก็ไปกินข้าวแกงที่อื่นไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดเพราะว่า มันชอบไม่เหมือนกันนะแต่อย่าเอาข้าวแกงมาขายที่นี่เดี๋ยวมันจะมั่วให้มันเป็นอย่างนี้แหละและที่นี่ไม่มีกติกาไม่แต่ข้อหนึ่งถ้าพระครูตั้งกติกาแบบมักง่ายโอ้ยบริหารง่ายเออไม่ดีก็ลงโทษอันนั้นใครๆก็ทำได้พาะครูไม่กระทาถ้าตั้งกติกาปุ๊บมันจะมีคนผิดกติกาแล้วมีคนจับผิดกัน ที่นี่ไม่มีคนถูกคนผิดมีอะไรก็คุยกันแบบกันรยาลมิตรแนะนำกันเมตากันนะก็พวกครูใช้เวลาพอสมควรแล้วเรามีเวลาเหลือสักพักหนึ่งปฏิบัติกันต่อสักชั่วโมงหนึ่งก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบารมีที่เราร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข